ข้อความน่ารู้จากพระตรัยปิฎก161กกายเดือดร้อนอย่าให้จิตเดือดร้อนดูก่อนขฤรหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนยกอย่างนี้ว่าเมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่เมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่จิตของเราจะไม่เดือดร้อนดูก่อนขรืหาบดี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 และถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบินทบาตครั้นเที่ยวไปตามลำดับตรอกในกรุงราชคฤห์แล้วก็นั่งพิงเชิญกำแพงแห่งใดแห่งหนึ่งฉันบินธบาตนั้นลำดับนั้นนางสูจิมุขีปริพาจิกาหรือนักบวชหญิงเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วถามว่าดูก่อนสมณนะท่านความนาบริโภคใช่หรือไม่ พระสารีบุตรตอบว่าดูก่อ น, น้องหญิงเราไม่ได้ความหน้าบริโภคนางถามว่าดูก่อนสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อ น, น้องหญิงเราไม่ได้หันหน้าบริโภคดูก่อนสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อ น, น้องหญิง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 เรียกว่าแหน่หน้าบริโภคดูก่อ น, น้องหญิงสมณพราหม์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพเพราะประกอบหนึ่งเนืองซึ่งการไปชักสื่อคือให้ชายหญิงเป็นสามีภริยากันสมณพราหม์เหล่านี้เรียกว่าหันไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมงบางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพ